No, no, no. พูดกับทุกท่านพูดกับทุกคนเราเป็นคนคนเดียวกันมีใายมีใจเหมือนกันมีรูปนามมีรูปทุกมีนามทุกมีรูปโลกมีนามโลกมีรูปสมมุติมีนามสมมุติมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานจริงเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเรานี่เราจึงมีการศึกษา ทังที่เราสวดมงคลสามปดอะไรที่เป็นมงคลที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ร่วมโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าเราไม่หามงคลหาใจตนเองก็เดือดร้อนจึงมีการศรึกษาต้องทำตามการตามเวลาได้ยินได้ฟังเอาไว้ สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตผู้ฟังย่อมผองใสทำคงเห็นได้ถูกต้องได้อาแสงการฟังนี้จากคนอื่นพูดให้ฟังจากเราทําดูเอาเองบ้างสอนตัวเองอย่างไรสอนคนอื่นอย่างนั้นตัวเราเห็นลักษณะแบบไปที่มีจิตเห็นกายเห็นใจ ก็สอนก็อื่นนะเขาเห็นเหมือนกันแต่ไปเดินทางไปทางเดียวกันอะไรเป็นวนอะไรเป็นบาปวนคืออะไรวนคือความรู้ความไม่โง่เกิดความสงบเกิดความสุขบาปคือความมืดไปรู้ไม่รู้ก็ทั่งทุกเว้นทุกไม่เป็นแต่ว่าไม่รูุ้นบางทีก็พอใจในความทุกข์ให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืน อยูนี้เรียกว่าไม่รูปบุญไม่รูปบาปหนีจากบาปไม่เป็นทำบุญก็ไม่เป็นทางทั้งที่เราทำได้มีรูปก็ใช่รูปทำบุญใช่รูปทำความดีความดีอยู่ที่รูปกวามีกายมีวาจาให้กายเป็นสุจริตอย่าไปทำชั่วก็สัตว์รักทรัพย์พิษในกามทั้งหลายวาจาก็พูดความจริงไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูด่สเสียดไม่พูดเพื่อเจอ้อ เอาไปพูดแต่ความงามความดีมีใจก็คิดในทางกุศลไม่คิดประทุดจะไล่เขาไม่ภัยบาดปองไล่เขาไม่เห็นผิดจากทานองคลองทำก็ใจทําความดีไม่ตากรุณาไม่ภยัยไม่ถือโทษโกงเพืองเอาใจไว้ให้ปล่อยให้วางนี่ก็เอาใจไปทําดีที่เหล่านี้ก็ขอให้เราได้ศึกษาศึกษาที่ลู้เหล่านี้ก็วิชากรรมฐาน เฉากรรมฐานเป็นวิชาที่เปิดของที่ปิดให้เปิดออกหมายของที่กล้องให้ขึ้นว่ามองเห็นกายมองเห็นใจตามความเป็นจริงตัวหลงเป็นยังไงตัวรูปเป็นยังไงทุกเป็นยังไงไม่ทุกเป็นยังไงโกรธเป็นลักษณะไหนไม่โกรธเป็นลักษณะอย่างไรสัมผัสลองดูผู้มีสติจะสัมผัสจิตเรานได้ไม่แต่เห็นรูปเห็นนามรูปมันเป็นก้อน สิ่งที่เกิดกับรูปนี่มันก็เป็นอาการหลายอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเกิดอยู่ที่รูปนี่เป็นสามันลักษณะเสมอกันหมดไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแจกเพศใดภาวะใดเหมือนกันหมดันถือว่ารูปนี่รูปทำมันทําดีมันทําชั่วนามทำมันชิดชั่วมันปลารบในสิ่งที่ชั่วนามทำมันทําดีไปนทางดี รูปโลกเป็นก้อนของโลกั้แต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอกระดูกเมื่อไอเด็กระดูกป้าหมห้วยใจตับปังขือไปปลอดใช้ใหญ่ใส้น้อยหันใหม่หานเก่าป็นที่เกิดของโลกเรียก ว, ว่าที่เป็นก้อนเป็นดุ้นเช่นแฉ่งอย่างนี้ส่วนไหนที่เป็นเปลาในความร้อนรั ว, วไฟไฟเผาอาหาราในย่อยไฟเผร่างกายให้ลดโทมไฟยังทําให้ร่างกายกระวนกวายไฟมัอยู่ในรูปนี้ สิ่งใที่มีความเหลวเลือดดีฉนดันองเสดจน้าลายน้ำมูกน้ามันน้าตาไขามันนับไขมันเปรียวมันแม่แต่เยื่อในกระดูกอันนี้รียว่าของที่มันเหลวก็อยู่ในรูปนี้ของที่มันมีลมหายใจเข้าหายใจออกลมพัดครึ้องมืองบ น, บนลมพัดลมเมืงต่ําลมในท้องลมในใส้ลมพัดไปตามตัวอันนี้เป็นรูปเป็นรูปโลก เป็นโลกทางลมก็มีเป็นโลกทางไฟก็มีเป็นโลกทางน้ำก็มีเป็นโลกทางดินก็มีได้เสมอกันหมดว่ารูปโลกมันมีไว้สำหรับเกิดโลกรูปทำมันทำดีมันทำชั่วรูปทุกมันทนยากต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องเกิดลำลายต้องนั่งต้องนอนต้องยืนเดินต้องกินต้องขับต้องถ่ายอยู่นิ่งไม่เป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาริบทอาริบทปิดปังทุก บางทีเราไปเห็นทุกข์เพราะอริบทวางไว้เจนเราดักอยู่เวลามันทุกข์ก็ลุกขึ้นเดินแล้เดินอยู่เวลามาทุกข์เราก็นั่งลงหรือยืนเดินดั้งนอนไปตามอริบทต่างๆจะอยู่ในบทเดียวไม่ได้ยีงเป็นรูปทุกข์สภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพธรรมอาคารตุกตาทุกข์ทุกข์ที่มาจรมาเป็นบางข้างบางข่าวปวดหนักปวดเบาเก็บหัวปวดท้องทุกข์กันเรื่งที่ทุกข์ เกิดจากสมุทัยตัวสังขารผงแต่งไม่รู้มันมีหลายวิธีที่ทําให้เกิดทุกในรูปนี้ในนามนี้เมื่อลงมาศึกษาวิชากรรมฐานจะรู้บมทุกแง่ทุกมุมเราเห็นมันทุกก็รู้จักเหตุที่เกิดทุกรู้จักวิธีที่ทําให้ความทุกดับไปได้การทุกนี้มันสามารถหยุดได้ถ้าเป็นทุกสมุทัยแต่มันทุกสภาวะทุกข ก็ต้องทุกข์กำหนดรู้ทุกข์จะต้องบันเทาถ้าหิวข้าวก็กินข้าวถ้าร้อนก็อาบน้ำอนี้ต้องมันเท่าถ้าหนาวโขมผ้าทุกแบบนี้ทุกมันเทถ่าทุกความโกรธความทุกข์ความเพียดเชิญเชิงชังอันนี้ทุกมันเทาไปได้ต้องละอย่างเดียวไปยึดไว้ไม่ได้แม้แต่เก็บใค่ได้ป่วยอาการทุกตาทุกหรือสภาพทุกข์ที่เป็นทุกข์ของลูกของนามเจ็บแค้ได้ป่วยถ้าเจ็บป่วยก็ต้องหาหมอ อาชัยหมออาชัยหยกอาชัยยาอันทุกทางกายนั้นมีหมอมีโรงพยาบาลมีหยกมียาตามอาการของโรคแต่ว่าทุกที่มันเกิดจากเราตอนที่ไปหาหมอหมอก็หาข้อมูลจากเราเราก็ให้ข้อมูลหมอดีๆนั้นเปลี่ยนอะไรขึ้นหมอก็ข้อมูลจากเราไปวิจัยโรคเขก็รู้โลกขาก็หายามาใส่ให้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปกังวลเวลาโราเกิดปัญจบายอะไรขึ้นมาเราให้หมอฟัง เขก็แตนิฐานโรค ก, ก็ดูโรคออกเมื่อดูโรคออกก็หายาใส่ล้วก็รู้เหมือนเราไปซ่อมรถคนเจ้าของรถก็ต้องบอกเขาว่ามันเป็นยังไง ย, ยางมันรั่วกขาบอกว่ายางมันรั่วถ้าเครื่องไม่ติดก็บอกว่าเครื่องไม่ติดถ้าไฟมันชอ็อตเขบอกว่าไฟมันชอ็อตเขาไปเจอเขา้าถ้ายางมันรั่วเขาหาดูที่มันรั่วพอเขาหาเห็นเราก็เออเจอแล้วเจอแล้วพอเขาเจอเหตุมันก็เชืได้ อะไรก็ตามที่เกิดกับวัตถุเจืงของเกิดกับกายกับใจเราก็บอกขอได้อย่าไปคอยจะสะดุ้งผวาหวาดกลัวเช่นเราดูแลคนป่ยวยเวลาอาการคนป่วยเกิดจากไงเราดูแลเรารู้ออกเราไปเล่าให้หมอฟังบางทีเด็กน้อยมันพูดไม่เป็นพวกที่ผู้ใหญ่ต้องดูอาการมันเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นทํำวางที่จุดเป็นยังไงเราไปบอกหมอ ถ้าต้องอะไมันบอกไม่เป็นเราก็สันนิษฐานไปบอกหมอหมอเขารู้แต่เไม่ดูอะไรเลยไม่ฉลาดอันก็จับผิดจับถูกไปเสียเวลากับการศึกษาหลอนตาเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งหายใจไม่ออกปวดท้องอย่างหนักว่าหมอเขาก็ดูหายใจบออกมาดูที่ก้อนเนื้อในลําคอมันตันหลอดลมแล้วก็เอาคล้องให้ไอซียูก้เนื้อจะป่อน มันขยายไปจากกอเน่อตัวเลยลำคอเขาก็จัดยาให้ยากีโบเข้าไปแล้วก็ปอดเลือกยุบลงก็รักษาหายอันนี้เรว่าโลกของลูกแต่โรกของน้ำนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ความทุกข์ของโกรธควมามตกกวนมหมองความครับเช่นใจอันนี้หมอช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเร า, ามีธรรมะแต่มัน โ, รโกรธก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธต้องช่วยจองให้เป็นถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนความทุกข์ ความไม่ทุกข์ให้รู้จักช่วยตัวเองตามมันหลงก็เปลี่ยนคกบหลงให้เป็นความไม่หลงรู้จักช่วยตัวเองเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกมันเปลี่ยนได้ไม่ต้องให้มันคลองเรารู้จักเปลี่ยนมันโกรธแล้วก็สัมผัสความโกรธเงง่ายก็มองตรงข้ามความไม่โกรธก็มีแล้วก็มีสิทธิเราใช่ชีวิตให้ไม่โกรธได้ขัดให้มันโกรธผัตัวก็เสียสักหน่อยอย่ายอมมันเลยจนให้ความโกรธโดนอยู่กับเรา แต่ว่าขี้แพ้ปลาชัยไม่บรรลุธรรมกับเขาการบรรลุธรรมก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธนี่บรรลุธรรมแล้วเป็นมรรคเกิดมาแล้วเป็นผลเกิดมาแล้วมุขี้มันโกรธความโกรธเป็นมรรคพอเปลี่ยนตัวมรรคให้เป็นความไม่โกรธความไม่โกรธกลายเป็นผลที่ความไม่โกรธได้เนี่ยเป็นมรรคเป็นผลความโกรธจแทบเป็นมรรคผลนี่พ่านได้มันหยุดแล้วมันเย็นแล้วอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ต้องฝึกฝนตนเอง ชีวิตเราต้องขูดหัดดัดแปลงแก้ไขยอย่างนี้อาศัยคนเด่นไม่ได้แม่เราเป็นพ่อแม่บุตรปัญญาสามีกันก็อาศัยกันมาได้และเรื่องอย่างนี้ต้องตัวใครตัวมนันอตาหิอัตาโนนาโถตัว น, นั่นเลยเป็นที่พึ่งของตนใครแล้วคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากตัวเราเท่านั้นตนคือความดีตนคือมีสติตนคือมีอความเพียรตนคือมีปัญญาไม่ใช่ตนคือกาย ไม่ใช่ตนคือขาแขนตนคือความดีความดีมีให้รูปนี้ความดีมีอยู่ในานามนี้เมื่อเรามีดีเราเพิ่งดีได้เมืเรามีบุญใจมันดีเพิ่งบุญได้ถ้าบาปเพิ่งหม่ได้ไปใจมันร้ายะไม่มีแต่ลงโทษเราเรามีศีลศีลก็คือปกติตามใจให้ปกติได้เคยทํามาแล้วเวลาใจมั น, วนหวุ่นวายมันผูกนแพบทําให้ปกติไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเขาเลนทาก็ไม่เป็นไรเขาสรนเสริญก็ไม่เป็นไรแม้จะทุกข์เกิดตายก็ไม่เป็นไรบัณฑิตผู้ฝึกฝนตนดีแล้วเมื่อประสบทุกข์จนตายก็ไม่หวั่นไหวเรียกว่าฝึกตนมาดีนั้นเป็นนักกีฬาที่เข้าลงสู่สนามแข่งหรือเป็นนักลบที่ฝึกมาดีเราไปลงสนามลบได้ชีวิตเราก็ต้องฝึกหัดบ้ากไม่ใช่งู โขจนตายทุกจนตายหลงจนตายมันก็ไม่ใช่ต้องฝึกพอสมควรจะอจิวกับโลกได้โลกนี้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวอยู่กับดินฟ้าอากาศเหลือบโยงรมแดดและสั์เล่ยคานั่งหลายผู้คนร่าฉลาสิ่งอะไรต่างๆมากมายแม้แต่ในกายในใจในรูปนี้ก็มีหลายอย่างที่มันเกิดอยู่นี่ดูแลให้คุ้มไม่ตนเป็นทีพึ่งการป็นบัติธรการดูแลตนให้ ให้คุ้มจะปล่อยปะละเลยเมื่อเรามีสติมันก็ไม่มากมื่ว่ามีตัวรู้ตัวหลงเท่านี้ก่อนสภาวะที่รู้เป็นไงสภาวะที่หลงเป็นยังไงความหลงพาไปทางอื่นความรู้พาไปทางหนึ่งอีกความหลงพาไปทางต่ําความรู้พาไปสูงสูงควมรู้พาไปสูงคือความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ได้มรรผลในพานความหลงพาไปต่ำต่าคืออบายภูมิ ด้วเป็นคนคนไปทางตับตกโลกเป็นเปรตอาไว้ควบแน่แล้วก็ต้องหดเดินทางไปทางสูงสูงคือมีความรู้สึกตัวเอาไว้มันบอกไม่ได้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนนําข้างยอดยอดยา้านิดหน่อยหายใจเข้าไม่ออกก็หมดแล้วหายใจออกไม่เข้าก็หมดแล้วไม่ควรประมาทประมาทแม่นิดหน่อยก็ไม่ดีความดีแม่เด่นหน่อยก็ดีทำเอาไว้ชั่วจ้างบาัดหงส์ชกงูแลบลี่นบราณท่านสอน หายีสติหายใจเข้าหายใจออก่าให้หายใจผีๆเอามากาหนดให้เกิดความรู้สึกตัวหรือยกมือช่างจังหวะเดินนองกรมหรือเคลื่อนไหวไปมาจนได้วนหนึ่งเวลานอนอ่ะเนี้ยควรจะเป็นโอกาสที่ไม่ทำอะไรแล้วเื่อก่อนนอนกอนหลับให้หลับกับกรรมฐานให้นอนกับกรรมฐานจะเป็นนิสัยแต่บางคนนอนไม่เป็นเวลานอนหาเรื่องมาคิด ชิดเราก็ชิดไปชิดไปก็ฝันหลับแปดชั่วโมงก็ไม่ดูอยากอิ่มเอะไรต่างๆไละอยู่ไม่รู้จากปล่อยจากวางนอนไม่เป็นเราจึงฝึกฝนตนเดิให้ดีถ้าไม่ฝึกก็เพิ่งไม่ได้ชีวิตเรามันจะเพิ่งได้คือฝึกหัดตัวเองถึงขาวมีปัญหาก็ไม่กลัวเจ็บไขอเด็กป่วยก็ไม่กลัวแต่น้อยก็ต้องมีบุญเราไม่เคยทำบาปทำกรรมมันก็อาศัยได้หรือมี คนละธรรมที่เป็นธรรมะมีพุทธานุสติมีตัวรู้ตัวเตือนตัวบ อ, อกบานมีธรรมานุสติมีความปกติเป็นชีวิตสังขารนิสติมีการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบอิออกทุกอยู่เสมออะไรมาผิดให้เป็นถูกได้ปฏิบัติตรงคิดถึงฐานของตนที่ได้ทา ม, มา เราก็ต้องมีบ้างการทําความดีให้เป็นอาชีพไว้ประมวลใส่บาตรรักษาศีลภาวนาบางทีก็ทําประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นไปเจริญโลกประโยชน์เจริญพระศาสนาให้มีมีฐานเอาไว้มีเสาหลักเอาไว้เพื่อเกาะเกาะได้ถ้ า, าชีพไม่มีเสาหลักกันเลยเลยเลื่อนลอยพัดไปได้ทุกทิศทางเสาหลักปักขี้โคนลนเราจะมีการ ทะะญญาาคำความดีเป็นบุเพกตปัญญาผู้คนผู้ทำความดีไว้ปอนแล้วอย่างที่เราตวจบางคลได้ทำดีไว้ก่อนแล้วโดยมีสติได้แหงทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญเพียรบานาเคยเปลี่ยนความรายเป็นความดีเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเพื่อภาวนาภาบนาคือเหียนรู้โดยก็หดัดที่เหล่านี้มาอาศัยได้แม้ จ, จะเก็บไข่ได้ป่วยก็อาศัยได้ อาเสียหลักตรนี้เยียวยาจนว่าจิตใจนี่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยแม่กายจะเป็นใจมันไม่เป็นต่พูดแล้วพูดอีกว่ากายมันทุกข์ก็เห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์มันปวดเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดโลกของจิตนี่ถ้ารักษาได้มันไม่เป็โลกของกายไม่แต่รักษาไปตามอาการของโลกอาใจนี่รักษาได้จบไปเลยพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวคือไม่มีอีกแล้ว ความกดปังข้างสุดท้ายความทุกข์ปังข้างสุดท้ายได้อันนี้มันรักษาได้แม่โรคทางกายจะเกิดจ้มีขนาดไหนก็ถือว่าไม่มีปัญหาไม่ถือว่าเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วลด้วยปรุธรรมด้วยซ้ำไปเห็นทุกข์แค่แท้เนี่ยทำํำมาได้นิพพานเห็นความไม่เที่ยงทําำมาได้นิพพานเห็นความไม่ใช่ตัวตนทำมาถึงนิพพานได้แต่คนที่ไม่ศึกษาเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์เอาควาเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ เอความมาเชิดตุรนมาเป็นทุกข์พระภาคจากของรักของใจใเป็นทุกข์เอาคิดไปห้อยไปเขียนกับวัตถุสินของกับผู้คนนั่นดื่นชีวิตก็เลยไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งนี่วิชากรรมฐานนี่ก็เป็นวิชาที่ได้คิดชีวิตเราก็มีสถานที่แบบนี้ก็มีพูดกันอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ก็รู้กันทุกคนพูดกับทุกคน เราเคยหลงเมื่อพูดความหลงเราก็เคยหลงมันเปลี่ยนนี้เราเคยทุกเมื่อพูดส่งความรกเราก็เคยทุกแต่จริงนี้ไม่เหมือนกันคือเปลี่ยนความทุกข์กันเป็นความไปทุกข์นี่อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็พอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธพอใจในความหลงเมื่อหลงก็หาเรื่องให้มันหลงหาจินเล่ามอยาให้มันหลงขึ้นมาเที่ยวตเตะและร่อนพรมแต่างไปตามอารมณ์ที่ให้เกิดความหลง นอกจากเราสร้างความหลงให้แก่เราแล้วก็อื่นก็สร้างให้เราหลงได้เช่นเวลานี้ไอ้โลกเนี่ยมันมีแต่คนสร้างความหลงให้เกิดขึ้นแกคนให้หลงมากขึ้นเพราะถ้าเขาสร้างความหลงให้คนหลงแล้วเขาได้ประโยชน์เขาซื้อเอาท่องพราเอาดาวเทียมให้เกิดความหลงขึ้นมาเงานงาทางดาวเทียมมาเข้าสู่หน้าจอทีวีมาสู่ทางหูทางอากาศลูกหลานเราแคนแต่ความหลงบ่มเมากัน โฉลานเราก็ไม่เคยนั่งอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้แต่ก่อนนี่หลวงตาเคยเป็นลูกของแม่ของพ่อก็ามาไปนอนเอาหัวหมุนเข่าพ่อโอนเผาแม่ให้พ่อแม่เล่านิทานให้ฟังนิทานที่แม่เล่ามีแต่เร้งดีๆเราอยากเป็นอยนั้นนิทานที่แม่เล่าให้ฟังทึ่วันนี้เขาไม่มีมานอนเอาหัวหมุนเข่าพ่อหมุนเข่าแม่เพราะเป็นั่างต่อหน้าทีวีโทรทัศน์อ่าเขาก็ ส้างความหลงให้กเกิดกับลูกหลานของเรามันก็เลยไม่เหมือนคนสมัยก่อนเราจึงศึกษาให้มากประมาทไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอาณาเราเป็นพ่อคนแม่คนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีปัญญาก็ต้องช่วยกันให้มากอย่าปล่อยให้กันประมาทมนก็เห็นกันได้เนี่ยคนเดื่นโกรธเราเห็นปฏิเพื่อคนที่โกรธทห้หายโกรธโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คนหนึ่งทุกเราก็ช่วยเขาให้ไม่ทุกโดยวิธีใดโดยวิธีหนึ่งอย่าไปซ้ำเติมกันบางทีเขาทุกแล้วยังระาํามให้เขาเป็นทุกเขามาด่าเราเขาหลงแล้วเราไปหลงตามเขาอีกโกรธทันที่มาด่าเรามันก็ไม่ถูกต้องเราต้องช่วยกันเลยเรื่องนี้ให้มากถ้าเขามาด่าเราน่ะแสดงว่าเขาหลงแล้วคนที่ไม่หลงจะด่ากันมาได้คนที่หลงน่าเห็นใจเขาเราควรที่ไปโกรธเขาหาวิธีให้เขาไม่หลงตอนนี้จึงว่า เป็นเพื่อนกันหลืเป็นสามีปัญญาเป็นพี่น้อ ง, องกันได้เราเราไปช่วยกันตรง น, นี้ไม่เป็นนแล้วแต่เขาจะดึงไปทางไหนเขาดึงให้เราโกรธเราก็โกรธไปเขาดึงให้เราทุกเราก็ทุกไปมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาสามีไม่ใช่เ พ, พ่อแม่ลูกหลานหน้าที่ก็เราไปช่วยกันในเรื่งนี้ให้มาก